วันนี้มีรถตู้เชียงใหม่เดินทางมาใกลเนี่ยอาจารย์ก็ออกไปจัดคอร์สอยู่ที่หนองคายให้คนลาวนะข้ามมามาเรียนอินหลงชื่อไว้หกสิบกว่าคนมีคนไทยสิบขวบคน ไปจัดที่เมืองลาวค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงเขาพอข้ามแม่น้ำมาหนองคายมันเมืองชายแดนเราค่าใช้ใจ่ต่างกันมากเลยที่เมืองลาวค่าเช่าโรงแรมแล้วก็น้องน้องเซ็นทรัลแพง ขนาดเขาลดให้ครึ่งหนึ่งก็ยังแพงนะเวลาจัดเราไม่ได้เก็บตังค์ให้ฟรีไปจัดที่ลาวทางลาวเขาเป็นคนจัดนะช่วงที่ไปที่แรกนึกว่าเราจะต้องจัดเขาจัดเองค่าใช้ใจ่ายเขาออกเองแล้วมาหาศาลเลยค่าอาหารอีกคนมา เกือบพันคนสองวันเช่าโรงแรมสองวันเขาคิดวันเดียวคิดครึ่งหนึ่งหกเจ็ดแสนค่านีน่พอรลิมพ่อเลยบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องข้ามมาเวียงจันท์ะให้คนฝั่งลาวข้า ม, มาเรียนที่หนองคายกนะ็ถูกกว่ากันเยอะเลย ให้ทางลาวเขาจัดบ่อยๆเขาก็ภาระเยอะเกินเราไปสอนไปอะไร น, นะพวกเราทุ่มเททำงานกันเหนื่อยมากเวลาออกไปสอนกันนะไม่เฉพาะคนที่สอนคนที่ออกไปเตรียมงานต่างๆไปถ่ายวีดีโอไปอะไรพวกนี้ยชกระทั่งดูแล แจกสื่ออะไรอะไรสารพัดทีมงานที่เราไปนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายช่วยตัวเองส่วนใหญ่ที่ทำกันด้วยใจยจริงๆไม่มีผลประโยชน์อะไรเหมือนพวกเรามาเรียนที่นี่นะหลวงก็ไม่เก็บค่าเล่าเรียนถ้าหลวงพ่อเก็บค่าเล่าเรียนนะ สอครั้งละหมื่นคนก็เรียนนะไม่ใช่ไม่มีเห็นได้นั่งใกล้ๆเจอโยมันชอบบนเลยมาว่าัดนั่งไกลโทร ถ, ถึงมาจับจีวรเราอยู่ก็ไม่รู้จักเราหรอกต้องภาวนานถึงจะรู้จักหลวงพ่อ หลวงพ่อเรียนจากหลวงพุ ด, ดูลย์่นะี่ยครูบาอาจารย์ทางอีสานทางเหนือนไกลๆเท่านั้นนะหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกว่าครูบาอาจารย์อยู่ไกลรู้สึกท่านอยู่กับเราตลอดเราจะคิดอย่างนี้จะพูดอย่างนี้จะทําอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านจะรู้สึกยังไงไม่กล้าขี้เกียจ เหมือนท่านเฝ้าเราอยู่ทั้งวันดูเราอยู่ทั้งวันเข้าใจเราผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์ใจมันถึงกันมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกพระวักกะลีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นธรรมะส่วนร่างกายอันนั้นเป็นร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะความเป็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นด้วยใจเอาตาไปเห็นไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเราไปนั่งเฝ้าอยู่ทั้งวันนะแต่เราไม่ได้ภาวนานะเราห่างท่านตัวเราอยู่ไกลท่าน ใช่เราคิดถึงคําสอนของท่านอยู่เรื่อยๆจะตามสอนเรานะเรารู้เลยว่าถ้าเราทําอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้นยะครูบาอาจารย์จะว่ายังไงท่านจะต้องตําหนิถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้หรือท่านจะชมเชยว่าดีให้ทําอีกดังน้วงพ่อไม่เคยรู้สึกห่างไกลครูบาอาจารย์ เราน้อมาคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆอยากรู้จักหลวงพ่อจริงๆต้องภาวนาไนมะ่งั้นไม่รู้จักหรอกหลวงพ่อไม่มีคนใกล้ชิดลูกศิษย์ใกล้ชิ ด, พ, ชดพิเศษอะไรเงี้ยไม่มีกุฏิหลวงพ่อเนะี่ยมีคนที่เข้าไปได้มีอยู่คนเดียวคือพระอาจารย์า ชนพรรษาก็มากนะแต่ว่าเข้าไปไปปัดกวาดเช็ดตูไปจัดผ้าจัดอะไรทำงานเหมือนพระนวะกะเลยดงนั้นทำด้วยใจใจการปฏิบัติปฏิบัติด้วยใจให้ใจมันถึงธรรมะก็ถึงด้วยใจ ถ้าถึงแล้วเราจะรู้ว่าใจก็ทธรนานเดียวกันแหละไม่ใช่ใจอันหนึ่งธรรมะแยกเป็นอีกอันหนึ่งจิตนั่นแหละคือธรรมหลวงปู่ดลนก็เคยสอนหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตพ้นจากจิตนี้ไปก็ไม่ใช่หลักธรรมที่แท้ เงินภาวนาเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆหาดีแรกนะั้นจิตใจมันมาไม่ได้หรอกจิตใจมันเคยร่อนเร่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันร่อนเร่ออกไปทางทวานทั้งหกทางใจก็คือไปคิดส่วนใหญ่อย่ามีคนจีนคนหนึ่งเหลายเนี่ยช่างคิด คิดใหญ่เลยวทําทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีคิดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกนะถ้าใจจิตอยู่ข้างนอกอะจิตไม่เข้าบ้านไม่เข้าฐานจิตเข้ามาไม่ถึงจิตใจตนเองอย่างไกลจากธรรมะธรรมะอยู่ที่จิตตนเองนี่เองกุศลก็เกิดที่จิตใช่ไหมครับกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต หลวง่มันเคยบอได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมไม่ได้ธรรมะเรียนเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่จิตมันไม่มีตัวตนนะไม่มีรูปลักษ์อะไรไม่มีรูปร่างที่เป็นรูปธปรรมจับต้องได้วิธีที่เราจะดูจิตดูใจนะ เราดูผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตันเป็นนามนธรรมทั้งหลายเรียกว่าเจตสิกเจตสิกแยกเป็นสามกลุ่มคือเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆ อ, อันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มของเวทนากลุ่มสัญญาความจําได้หมายรู้จํารูปเสียงกลิ่นรสประทพระธรรมลมได้ หมายรู้ถูกก็ได้หมายรู้ผิดก็ได้ถ้าหมายรู้ผิดก็จะหมายรู้ของซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้างงามของที่ไม่เที่ยงก็หมายรู้ว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ก็หมายรู้ว่าเป็นสุขของที่บังคับไม่ได้ก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเราอันนี้หมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็หมายรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย การทำวิปัสสนาต้องมีสัญญานะมีสัญญาเป็นเครื่องหมายรู้บางคนว่าพูดมักง่ายว่าสัญญากับปัญญาตรงข้ามกันนี่พูดเราเองเพราะมันมีคำว่ายาเหมือนกันสัญญากับปัญญาตรงข้ามกันถ้ามีสัญญาไม่มีปัญญาไปแปลสัญญาว่าเรื่องที่คิดคิดเอาสัญญาไม่ใช่เรื่องที่คิดคิดเอาสารีบุตรึเคยบอก แค่ตั้งเข้าสมาธินะถ้ายังมีสัญญาอยู่เนะี่ยทำวิปัสสนาได้ถ้าเป็นสมาธิที่ปราศจากสัญญาเนะี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้ต้องมีความหมายรู้นะอีกตัวหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตเป็นเจตสิกชนิดที่สามันที่หนึ่งตัวเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย ตัวที่สองความจำได้หมายรู้จำรูปเสียงกลิน่นรสผลิภธัธมารมได้นะหมายรู้ถูกหมายรู้ผิดได้ตัวที่สามคือตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายอย่างโลภกลดหลงนี่เป็นความปรุงชั่วศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นความปรุงดนะีสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตทำให้จิตแต่ละดวง มีลักษณะที่แตกต่างกันทำงานแตกต่างกันตัวจิตตรงๆเนี่ยมันเป็นตัวรู้แต่มันไม่รู้ว่ารู้อะไรหรอกเป็นตัวรู้ซึ่งเราจับต้องไม่ได้การที่เราจะเข้าถึงมันได้เราเข้าถึงผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับมันนะจิตมันคล้ายๆแก๊สหุงข้าวอะแก๊สหุงข้าวไม่มีสีไม่มีกลิ่น เวลามันรั่วมาเราไม่รู้เลยตายฟรีเลยเขาก็เติมกลิ่นลงไปพอรั่วออกมาแล้วเหม็นๆแล้วก็ได้รู้ว่ามันรั่วจิตนี้โดยตัวมันเองก็ไม่มีร่องรอยที่จะให้เราเห็นเราก็มีสิ่งที่เติมลงไปในจิตเช่นความสุขจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันก็ไม่เหมือนกันจิตที่ดีกับจิตที่ชั่วก็ไม่เหมือนกันจิตที่โลภโกรธหลงก็ไม่เหมือนกัน มันจะทําให้เราสามารถแยกจิตออกเป็นดวงดวงได้จิตที่โกรธก็แบบหนึ่งจิตที่โลภก็แบบหนึ่งจิตที่หลงก็แบบหนึ่งจิตที่ฟุ้งซ่านก็แบบหนึ่งจิตที่โหดผูกก็แบบหนึ่งจิตที่สุขก็แบบหนึ่งจิตที่ทุกข์ก็แบบหนึ่งจิตที่เฉยเฉยก็แบบหนึ่งเรียกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วจะเห็นเลยจิตทุกแบบเกิดแล้วดับเพราน้นการดูจิตจริงๆไม่ใช่การดูจิต แต่เราจะเห็นจิตเกิดดับผ่านสิ่งที่เกิดดับร่วมกับจิตเหมือนอย่างเรารู้ว่าแก๊สหุงข้าวบ้านเรารั่วเพราะมีกลิ่นกลิ่นไม่ใช่ตัวแก๊สนั้นแก๊สที่หุงข้าวไม่มีกลิ่นเข้าเติมกลิ่นลงไปบางอย่างเขาก็เติมสีลงไปอย่างขวดน้ำขวดหนึ่งเนี่ย จะเติมให้มันแตกต่างกันจะไม่เติมสีอย่างนี้ะโคก็ใส่สีอย่างนี้ะแฟนต้าใส่สีอย่างนี้อะไรอี่ายยังมีขายไหมพวกเนี้ยยังมีนะมันทนใช้มันเลยหัวล้อเลยคนจีนหัวล้อช้าเนี่ยทําให้เห็นความแตกต่างของน้ําขวดหนึ่งกับน้ําขวดหนึ่งสีมันไม่เหมือนกัน งั้เราเห็นจิตดวงหนึ่งต่างกับจิตอีกดวงหนึ่งนะเพราะสิ่งที่มันเกิดร่วมกับจิตงั้นเวลาดูจิตนะเวลามันมีความสุขขึ้นมาก็รู้ทันรู้สึกจิตมีความสุขเวลามีความทุกข์โอ้จิตมันมีความทุกข์คอยรู้ไปจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงคอยรู้ไปพอรู้แล้วต่อไปพอสติปัญญากแก่กล้าขึ้นนะันจะเห็นเอง ความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความดีไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตจิตเป็นตัวรู้เนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นละถ้าดูเราก็จะเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับนี่เราเดินปัญญาได้เราเห็นจิตเกิดดับ แต่อยู่ๆจะไปดูตัวจิตเกิดดับตรงๆเนี่ยเราจะไม่เห็ น, นเพราะไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยอันนี้เป็นแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งที่ไม่เห็นจะยากเลยก็คือดูผ่านายตนะดูตรงที่เกิดของจิตจิตเดี๋ยวก็ไปดูรูปจิตที่ดูรูปมันก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าดูรูปก็ดวงหนึ่ง จิตที่ไปฟังเสียงก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าไปฟังเสียงก็ดวงหนึ่งเกิดสลับกันจิตที่รู้จิตที่รู้นะมันดับไปก็เกิดจิตที่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนมากไปคิดพอเรารู้ว่าจิตไปคิดปุ๊บจิตคิดจะดับเกิดจิตรู้อัตโนมัตินี่เราก็จะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยง จิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดมกลิ่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้รสก็ไม่เที่ยงนะจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงแคดูไปเรื่อยเห็นเป็นคู่คู่น้เกิดดับไปเรื่อยสุดท้ายก็จะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยง เราเห็นเกิดตัญญาในลักษณะเดียวกันที่เราเห็นผ่านเจตสิกนั่นแหละจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงถ้าดูผ่านอายตนะก็จะเห็นจิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดสลับมีตัวรู้มาขั้นไปเรื่อย ฝึกไปเรื่อยๆแล้วส่อไปปัญญามันจะปิ้งขึ้นมานะจิตทุกชนิดเกิดระดับทั้งสิ้นเมื่อใดเข้าใจความจริงแนละ้วจิตทุกชนิดเกิดระดับทั้งสิ้นนะมันจะเห็นท่องแท้ลงไปจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตนยะก็จะไม่ใช่เรา เคยได้ยินไห้วิญญาณปัจจยานามรู ป, ปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปจิตดวงเดียวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดขันห้าขึ้นมาพอจิตเราเห็นท่องแท้แล้วว่าไม่ใช่เราเราเห็นจิตท่องแท้แล้วไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่เป็นเราโลกทั้งโลกที่ปรากฏขึ้นมากับเราได้นี่ก็เพราะอาศัยขันห้าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปธรรมอาศัย ใ, ใจซึ่งเป็นนามธรรม ออกไปรับรู้โลกรู้จักรวาลเมื่อตัวที่รับรู้มันไม่ใช่เราซะแล้วนะของที่ถูกรู้ภายนอกก็ไม่ใช่เราเมื่อไรปัญญาแก่รอบนะเข้ามาที่จิตเราตัดลงไปว่าจิตนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะไม่เที่ยงไม่ใช่เราเพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราเพราะบังคับไม่ได้เห็นได้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้พอเห็นแล้วเนี่ยขันห้าทั้งหมดจะไม่ใช่เรา โลกทั้งโลกไม่มีเราตรงไหนเลยตัวนี้เราจะละสักยทิทิได้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพอเราภาวนามาจนจิตมันละสักยธิทิความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนได้แล้วความลังเลสงสัยในพระตรัสรก็จะดับไปด้วยเพราะมันเห็นด้วยตัวเองแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงแน่นอนพระธรรมมีจริงแน่นอนพระสงฆ์มีจริงแน่นอนเพราะอะไร พราะขณนี้จิตเรากลายเป็นพระสงฆ์ไปแล้วจิตของพระโสดาบันเป็นพระสงฆ์แล้วถ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะแต่งเครื่องแบบอย่างนี้เป็นพระสมมติพระโสดาบันอาจจะนุ่งกระโปรงก็ได้นุ่งกางเกงก็ได้เป็นครวาต์ก็ได้เป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ไม่จํากัดแต่ถ้าใส่เครื่องแบบอย่างนี้จะเป็นพระโดยสมมตินะ ที่เราฝึกไปนะจนเราเห็นความจริงไงจิตนี่แหละเป็นพระสงฆ์ไปแล้วที่เป็นพระสงฆ์ได้นะเพราะว่าจิตนี้เข้าไปสัมผัสธรรมะจิตรู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วจิตก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงท่านที่สอนธรรมะอันนี้ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นี้มีจริง งนันใจจะเคารพแน่นแฟนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความลังเลสงสัยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะถูกไหมพระธรรมนี่เมื่อนําไปปฏิบัติเราจะพ้นทุกได้ไหมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยใจเราจะสะอาดหมดจดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้ไหมจะไม่สงสัยอีกต่อไปแลาจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ ง, งเราไม่มีความลังเลสงสัย ในพระรัตนตรัยนี่ก็เรียกว่าละวิจิกิจชาได้แล้วส่อไปนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเนี่จะอยู่ในร่องรอยไม่เพอเจอ้อเลื่อนลอยเชื่อมองคลตื่นข่าวไปกินข้าวเปลือกแล้วจะตัดสรู้เร็วอย่างนี้นะก้มหน้าก้มตายกินข้าวเปลือกรู้จักข้าวเปลือกไหมรู้จักไม่ข้าวเปลือกข้าวข้าที่ยังไม่ได้สียมีเปลือกคนไทยเรียกว่าข้าวเปลือก พวกไก่อะมันกินนะแล้วกินเข้าเปลือกแล้วบรรลุมรคลไก่เขาบรรลุไปก่อนแล้วเลยคิดว่าถ้าหาบน้ําในแม่น้ําคงคาแล้วจะบรรลุมรคลรวดเร็วเต่าและปลาในแม่น้ําคงคาบรรลุหมดแล้ว ล, นะล่ะะรวมทั้งตะโค้งตะเข่อะไรก็บรรลุหมดแล้วนะแต่ทั้งพวกอยู่คิดว่าอยู่วัดแล้วจะบรรลุนะพวกนี้คิดผิดนะ ในวันนี้มีเฮียตั้งเยอะเนะียไม่เห็นบรรลุเลยเนี่ยเป็นเรื่องงมงายต้องอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วจะบรรลุง่ายไม่ต้องปฏิบัติก็บรรลุได้นี่โง่นะเขาขันโ ง, ง่กรรมพันเลยแล้วคิดอย่างนั้นนะงั้นเวลาเราภาวนานะเข้าใจจิตตนเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราไม่มี ละสักกายทิฏฐิได้หมดความลังเลสงสัยในพะรตนาไตราการปฏิบัติของเราต่อไปนี้ไม่งมงายไม่ใช่ถือศีลปฏิบัติธทมแบบรู ป, ร ป, ร ป, รปๆูคลำคั่มคือไม่ได้แก่นเช่นนั่งขยับมือเนี่ยขยับมือแล้วดีถ้าคิดว่าท่าขยับมือแล้วดีนี่คือศิลพะตะปรามาศแต่ขยับมือด้วยความมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิที่ถูกต้อง อัน น, นจะขยับมือหรือขยับเท้ามันก็ถูกเหมือนกันหมดนะเลยบอกว่าดูท้องพองยุบดีที่สุดพุทโธดีที่สุดอานาปานสติดีที่สุดนะีน่ศีลพัตตปาประมาทตัวที่ดีคือสติสัมปชัญญะทั้งๆสติสมาธิปัญญาทั้งๆที่ดีที่เราต้องพัฒนาขึ้นมานะไม่งั้เราก็จะภาวนารู ป, รปลุกคลำ ก่อนจะกินข้าวต้องสวดมนต์ก่อนนะทิฏฐานให้ข้าวนี้ศักดิ์สิทธิ์กินแล้วฉลาดอะไรเงี้ยมันโง่ตั้งแต่ทิฏฐานให้กินข้าวแล้วฉลาดนั่นแหละมะนจะฉลาดไปได้ไงเคยเห็นไหมเวลาพระจะฉันข้าวเนี่ยท่านสวดอะไรอยู่ท่านสวดเตือนตัวเองว่าอาหารเนี่ยนะเรากินไปเพื่อดํำรงชีวิตอยู่ ไม่ใช่กินเพื่อความอร ե ศอร่อยเพลิดเพลินประมาทมัวเมานะไม่ใช่กินเพราะว่าเพื่อจะมาเสพสุขอะไรเนะท่านสอนตัวเองเรียกว่าปัจเจกขณะเนะี่ยไม่ใช่เสิถาเนะเราจะได้ภาวนาเก่งอันนั้นสิรพตาประมาทนะเอาใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน เห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเห็นครับนั่นแหละถูกแล้ววีภาวนาวผมติดตรงที่เห็นสภาวะทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวเราไม่มีแต่มันตัวที่ดูอยู่มันยังมีเงาอยู่มันยังมีเงาช่ขอคําแนะนําด้วยครับนั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะอย่าไปพยายามทําลายมันนะมรรคผลนะไม่มีใครทําให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ หน้าที่เราก็คือมีศีลสมาธิปัญญาสะสมไปพอสมบูรณ์แล้วมันเกิดเองนะมรรคผลนะมันจะเข้ามาล้างความเห็นผิดที่จิตนี่เองภาวนาได้ดีนะถูกแล้วเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อแสดงธรรมผมตอนที่ธรรมะตรงกับใจมันเป็นแสงสีม่วงสว่างขึ้นมามันคืออะไรครับไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็จะบอกให้มันคือนิมิตขอบคุณมากครับแล้วเห็นตรงไหนอะ ตรงหน้าผมเยรยพลานาตรงนี้สึกตำแหน่งนี้สว่างสวยมากพิจารณาอะไรก็คล่องไปหมดเลยครับเราพลังงานจากหลวงพ่อไปด้วยจริงๆหลวงพ่อไม่ได้อยู่ไกลลูกศิษย์นะขอให้ตั้งใจภาวนาติดขัดขึ้นมาเนี้ยธรรมะมันจะสอนเราเองบางทีรู้สึกเหมือนหลวงพ่อไปสอนให้เลยนะที่มีภาพประกอบด้วยนะธรรมะเราเรียนกันด้วยใจอ่ะ มีใจที่ซื่อๆมาเรียนด้วยใจที่ซื่อๆถ้าใจด้วยความโลภใจที่โอ้ยโสหังอะไรอย่างนี้จะสัมผัสครูบาอาจารย์ไม่ได้ขอบคุณมากครับแต่มาบอกว่าแสงสีม่วงเดี๋ยวพวกนี้เขานึกว่าหลวงพ่อเป็นตุด๊ดละมัน <laughs> <laughs> ไปดูให้ดีมีหลายแสงหลายสี <laughs> เา้าต่อไปราชการค่ะเพิ่งเพิ่งเคยมาอยู่วัดครั้งแรกแล้วก็จะจะหลงคนะ่ะจะหลงเยอะหลงทำไมว่าอยู่วัดใครๆเขาก็กลัวกลัวผีไหมเ อ, อ่อกังวลค่ะแต่ไม่ไม่กลัวกังวลนั่นแหละกลัวผีน่ยนะในวัดเนี่ยเยอะมาก <laughs> แถวกุฏิโยมตามต้นหมากรากไม้มีทั้งนั้นนะอยู่ตามต้นไม้ก็มีนะเวลาเราปอดปอดนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรปอดนะเวลาเราปอดปอดเนะ่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็เห็นผีเต็มไปหมดเลยทีก็ใสาะผีกิเลสเราพยายามไปรู้เท่าทันใจตัวเองนะสิ่งที่น่ากลัวในวัดนี้ไม่ใช่ผี นี่คืองูงู ล, ลายๆนี่เพียบเลยนี่สารพัดงูไม่มีเดียวคือเท่าหัวงูนะงูเหา่งงงางูโจง้างงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงกลามีเท่านั้นนะเดินก็มีสติกลางคืนออกมาเดินก็เอาไฟฉายใชยอ้ออกออกมาเดินภาวนา จะเอาแต่หลบกลัวอยู่แต่ในกุฏิไม่คุ้มค่ากล้ากล้าหน่อยนะถ้าอยู่วัดหลวงพ่อเรากลัวเนี่ยอยู่วัดป่าไม่ได้วัดป่าหน้ากลัวกว่านี้เยอะนะหลวงพ่อสมัยออกไปภาวนานะที่ท่านแกล้งเอาให้ไปอยู่ตรงทางเข้าป่าช้าเลยนะให้ไปอยู่แล้วก็อยู่เห็นจะเป็นไรเลย กลัวเราก็รู้ว่านะกลางคืนนะได้ยินเสียงผีมันเดินด้วยเดินกรุบกรุบกุบกุบเข้ามานะเข้าป่าช้าไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งมันก็เดินออกมากุบกุบปุ๊บปุ บ, ป บ, ปบออกมาแล้วมันมากัดฟันนละ้วกรอดกรอดถูกข้างกระดักุฏิเราเรานะือผีตัวนี้น่ากลัวจริงจริงมันคงแคนมากนะมันกัดฟันกรอดกรอดนะ สุดท้ายทนไม่ไหวนะออกไปดูกลายเป็นหมาหมามันเข้าไปในป่าช้าลงไปคาบกระดูกไก่กระดูกอะไรมากำลุกมานั่งแทะหลวงพ่อเนะี่ยสะเทือนใจมากเลยเรากลัวผีแทบตายนะหมาไปแย่งของกินจากผีมาแล้วหมาเก่งกว่าเราอีกอายหมาเนี่ยสอนตัวเองนะอย่างนี้ต้องอายหมาหลวงพ่อลงจากกุติเลยถือไปฉายไปด้วยนะ ห้าวหารเดินเข้าประช้าด้วยใจที่ห้าวหาญก้าวที่หนึ่งก็ห้าวหาญก้าวที่สองก็ลดลงหน่อยนะก้าวไปหลายๆก้าวนะเราถอยไปตั้งหลักก่อนถอยเดินเข้าเดินออกนะสุดท้ายเข้าได้นะเข้าจนได้กลัวผีหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้ตอนที่เราเห็นผีเนี่ยจะเป็นตอนที่จิตทรงสมาธิอยู่ เพราะงั้นตอนที่เห็นผีเนี่ยเราจะไม่กลัวผีเด็ดขาดเลยถ้าเรารู้สึกกลัวผีเราเห็นนอนเห็นเนี่ยจิตหลอนรู้ไว้เลยนะจิตปรุงแต่งเองตอนที่เราเห็นผีจริงๆเนี่ยจิตสรงสมาธิจิตจะไม่กลัวเพราะงั้นในที่เรากลัวเนี่ยเราถูกกิเลสเราเองหลอกอย่าไปเชื่อมันมีพี่ชายแม่ชีนะเป็นหมออยู่บุรีรัมย์ เคยตามหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดป่าตรงคูวันนั้นน่ากลัวเป็นป่าเป็นป่ า, ปปาชาเก่าวะเขานั่งสมาธินะมีเสือของตัวเองคนละนัานเขานั่งอยู่ห่างหลวงพ่อเมตรกว่าๆนั่งๆอยู่แต่ตัวกระเด้นขึ้นมานะหลนตุ๊บมาอยู่หน้าหลวงพ่อบอกอาจารย์อาจารย์ผีหลอกผีหลอก ถามเขาว่าผีหลอกไงมันมาเกาเสือแกลกบอ ก, กนะมันเขามาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญเพราะนันผนะีที่เรากลัวนะมันเป็นเรื่องความคิดของเราเองตอนที่เราเจอผีเราจะไม่กลัวนะเป็นอัตโนมัติเลยเพราะนถ้าใจไม่มีสมาธิแล้ว เ, เห็นผีเนะี่ยจิตหลอนท่องไว้เลยนะ จิตร้อนอย่าวิ่งวิ่งเราสติแตกอจะส่งกันบ้านปะอยู่วัดปะไ ม, ไ, ดดไม่ได้อยู่นะนก็กำลังนั่งอยู่วัดแท้ๆบอกไม่ได้อยู่ใครจะส่งกันบ้านอาว่ามาแกลบ น, นมัสการคุงพ่อค่ะ ช่วงนี้มีสภาวะธรรมคือมันจิตมันไหวอยู่ทุกวันค่ะมันไหวที่ไหนไหวอยู่กลางอกค่ะเห็นมาจากความว่างๆค่ะถูกแล้วคือเห็นแล้วมันทุกข์ถูกแล้วพยายามที่จะดิ้นนะคะนั่นแหละมันต้อนดิ้นอย่างนั้นแหละดิ้นยังไงก็ไม่พ้นค่ะก็เวลาที่ จะนอนก็พยายามทําสมาธิแล้วมันก็ไหวไหวแล้วมันทําให้เราทุกข์อีกพอเราพยายามจะทําสมาธิแบบปล่อยวางเลยคะ่ะแต่มันก็มีเหมือนมีขั้วแบบพยายามดึงเราไม่ให้ออกอะไระะอย่างนี้ค่ะภาวนาไปภาวนาแล้วก็ต้องเจออย่างนั้นแหละตอนที่เห็นความไหวขึ้นกลางอก น, นะ ดีนะเป็นสังขารละเอียดไม่ใช่จิตเราหรอกจิตเป็นคนที่ไปรู้มันเข้างเวลารู้รู้ห่างๆที่อย่างที่รู้เนี่ยใช้ได้ไม่จบลงไปแต่พอรู้แล้วเราจะเห็นทุกข์นะจะทุกข์เต็มไปหมดเลยทุกทั้งวันทุกทั้งคืนความปรุงแต่งเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีจรู้สึกอย่างนี้แล้วจะไม่ให้ปรุงแต่งก็ไม่ได้ถ้าจิตเรายังไม่พ้นความปรุงแต่งจะไปพ้นตอนไหนรู้ไหม กานเป็นพระละหันเพราะนต น, นี้ถูกไปก่อนแล้วพอทุกเราเหน็ดเหนื่อยนะก็ทําสมถะเวลาทําสมถะอย่าสนใจไอ้ตัวนีนะ้สนใจอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยให้ใจได้พักผ่อนพอใจได้พักผ่อนแล้วกลับมารู้นะเราจะรู้ตัวไม่ทุกนะเราจะเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันทุกแต่เราไม่ทุกด้วย แล้วพอสมาธิเราตกนะที่ตัวนี้ทุกแล้วเราก็ถูกด้วยะเราก็กลับมาทํำสมาธิอีกจิตมีพลังตัวนี้ทุกแต่จิตไม่ถูกข์เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยเรียนรู้มันไปดีแ้วมันอยู่ข้างหลังตลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับอืมดีหัดภาวนาแล้วก็ถือศีลห้ามมาได แเดือนแล้วครับเออดีผมเคยเห็นสภาวะ mm. เห็นจิตเกิดดับ mm. ผมดูจิตแล้วเห็นจิตเกิดดับทีละขณะเป็นช็อตๆครับ mm. คือรวดเร็วมากแล้วรู้สึกสนุก mm. ในการดูครับเออต้องอย่างนั้นแหละแล้วก็ผมเคยเห็นสภาวะคือดูลกายครับ เห็นกายขยับแล้วก็เห็นจิตไปคิดแล้วก็รู้ครับแล้วก็เราเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งเราก็เป็นผู้รู้แล้วรู้สึกว่าแปลกครับร่างกายแล้วก็จิตดวงนั้นคือมันทุกข์มากเลยครับแต่ก็ถูกแล้วครับภาวนาถู ก, ารากครับภาวนาถูกเรามันจะเห็นนั่งคันห้าเป็นทุกข์รู้สึกไหมก า, กายก็ทุกข์จิตก็ทุกขนะ์เฝ้ารู้เฝ้าดูไป แล้วก็ถ้ามันฟุ้งซ่ากนก็นทำความสงบใช้ได้นลที่ฝึกจิตตอนนี้ไม่เข้าฐานดูออกไหมดูออกครับมัวมัวครับมัวมัวมันมีโมหะนะรู้ว่ามีโมหะอย่าไปเที่ยวหาอย่าส่งจิตไปกวานอย่างนั้นแค่รู้ว่ามีโมหะไม่ต้องหาทางแก้ไขนะดูซอจิตที่มีโมหะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อย ภาวนาได้ดีนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยเป็นคนเฉนยภูมิครับเออภาวนาเก่งไปฝึกเอาครับขอบคุณครับหลวงพ่อมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปนะครับเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตอนจิตใจอ่อนล้าก็ทำความสงบเข้ามาไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิ ใจิตใจสงบแล้วมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกเดินปัญญาดูความจริงของกายซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นภาระดูความจริงของจิตใจเห็นมันดิ้นรนกรุงแต่งมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะสลับไปถึงช่วงที่ควรทำสมถาก็ทำถึงช่วงที่มีกำลังแล้วก็จเจริญปัญญานะสลับกันไปดี กรับมาสักการหลวง่าครับปฏิบัติมาสั ก, กระยะหนึ่งครับแล้วก็หยกๆยกไปอย่างนี้ย<ก>อยากใครลงพ้าช่วยดูให้หน่อยครับว่าทาผิดทำถูกยังไงครับก็ ถ, กถูกถูกผิดผิดนะนะทุกคนแหละจะถูกทีเดียวได้ยังไงตอนไหนมีสตินะมีใจตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมันก็ถูกนะตอนไหนขาดสติก็ผิดแน่นอน ตอน น, นมีสติแต่ใจไม่ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนก็ได้สมาธิมันก็ถูกแต่ถูกแบบสมถะแต่ถ้าใจตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติะระลึกรู้ลงในรูปในนามอันนั้นก็ถูกแต่ถูกอย่างมิปัสนานการภาวนานีถ้ายังมีสติอยู่ก็ยังดีอยู่ถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ แตสังเกตไหมจิตของเราตอนนี้มันอยู่ข้างนอกมันกว้างๆออกมาข้างนอกดูออกไหมล อ, องหายใจอย่าดึงจิต น, นะหายใจเฉยๆจิตตรงนี้กับตะเกียะไม่เหมือนกันดูออกไหมครับเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกนะแต่มันอยู่ข้างนอกแบบเนียนๆ เ, เราไม่ทันสังเกต เนี่ยถ้าจิตไปข้างนอกให้รู้ทันถ้าเวลาจิตออกข้างนอกมันก็หายใจไปเดี๋ยวจิตก็กลับมาเองหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆนะแล้วจิตจะกลับมาจิตกลับมาเราก็เดินปัญญาต่อได้นะ้วดูกายมันทำงานดูใจมันทํางานใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไปที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะดีทาอีกแล้วมันมีการจเจริญปัญญาไหมครับที่ทํามาครับมีแต่ว่ามันค่อนข้างฟุ้งนะ ใจมันยังฟุ้งเยอะไปนิดนึงการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นสภาวะที่จิตมันเป็นคนดูแล้วสติระลึกรู้ลงไปในกายในใจมีปัญญาเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามที่ถูกรู้ถูกดูนั้นไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตานั้นเป็นการเดินปัญญาจริงๆถ้าการคิดพิจารณากายพิจารณาจิตเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญา เพรนเวลาที่จิตเดินปัญญาจริงไม่ได้คิดเอาหรอกแต่รู้สึกเอาอย่างมันรู้สึกโกรธขึ้นมาก็รู้ทันว่ามันรู้สึกโกรธมันรู้สึกโลภก็รู้ว่ามันโลภขึ้นมาก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปอย่าบังคับจิตอย่างตอนนี้นะขณะนี้ไม่ถูกละขณะนี้บังคับจิตจนมันอึดอัดไปหมดละจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาอย่าไปบังคับมันนะปล่อยให้มันทํางานรู้สึกไป แต่โดยภาพรวมที่ฝึกมาใช้ได้นะมีพัฒนาการที่ดีไปฝึกต่อสาธุครับเดี๋ยวนี้พวกเราภาวนากันได้ดีนะ ท, ท, ทั้งที่ไม่เจอหลวงพ่อนะ่ะดูอยู่ทงยูทูปเลยไปภาวนาเก่งๆอันนี้เยอะเลยครับผมขอกลับนะมัสการหลวงพ่อครับอืมเมื่อปีที่แล้วผมมีโอกาสได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับปีที่แล้วมามีสภาวะเกิดตรงที่ว่า มีจิตเข้าไปค้นดูหาตัวเองแล้วบอกว่าไม่เจอตัวเราอยู่ตรงไหนเป็นอย่างนี้ติดกันสามวันครับเออมันอยู่ <พอ S 1> ที่ให้ตัวคน้นนล่นหละพอวันที่สามร่างกายหายครับเจ อ, อจิตจติดเหมือนเข้ามาดูข้างในครับเป็นสามช็อตครับแล้วก็พุ่งออกมามันจะมีเหมือนขาวๆที่ห่อหุ้มอยู่ครับพอจิตพุ่งออกไปปุ๊บ มันก็ปิดตัวเองลงทันทีครับพอผมได้โอกาสมาส่งการบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่ามันยังมันยังติดขอบอยู่นะอืมแล้วมาเมื่อวันที่สิเบเอ็ดเดือนนี้ครับผมมันก็เข้าไปข้นหาตัวเองอีกบอกว่าตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเรานั้นไม่มีเสร็จแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้นักเลยครับอืมและได้ยินเสียงมันฟ้าร้องไกลๆครับ ออือแล้วมันก็จะตามท่ามันจะวูบไปครับเหมืนอน ม, มันจะหมดสติครับครับผมเท่านี้แล้วครับเราไงไปทําอีกไปครับผมครับยังไม่พอนะไปทําอีกอย่าอยากอย่าอยากได้ผลนะถ้าจะอยากเนะี้ยจะไม่ได้ตอนที่ได้ของดีเนี่ยเป็นตอนที่ไม่ได้อยาก เราฝึกเจนสติมันทํางานได้เองสมาธิตั้งมั่นได้เองปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้เองฝึกจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะแล้วเราไม่ได้มีเจตนาปฏิบัติจิตมันปฏิบัติของมันเองเพราะมันเคยชินเป็นสติสมาธิปัญญามันทํางานของมันเองได้ตัวนั้นเราถึงจะได้ของดีจริงๆนะตอนนี้ยังเจือคิดอยู่สังเกตไหมตัวที่เป็นตัวคิดเนี่ยมันยังมีเราอยู่ ครับผมดูออกไหมครับดูออกครับเออเนะ่ยนะ่แหละนะมันยังไม่ตัดนะอย่าอยากตัดสี่อยากตัดไม่ตัดหรอกนะรู้สบายสบายไปไอตัวที่คิดนะันะไรตัวเราอะะยังอยู่ตรงนั้นครับผมอย่าไปหามันนะอย่าไปทำลายมันนะครับถึงเวลาอาริยมรรคทำลายมันเองเราไม่มีหน้าที่ไปทำลายมันเรามีหน้าที่ตามรู้อย่างที่มันเป็นนะ ครับผมก็คุณครับดีภาวนาได้ตั้งหกตั้งใจดีใครฟงรุงซานสารภาพมาเสื้อแดงนั้นด้วยกลับนะมั ส, ส ก, การหลวงพ่อครับตื่นเต้นธรรมดานะครับหลวงพ่อผมขอเข้ามาแทนจิตด้วยครับที่จิต คิดล่วงเกินไปบางครั้งแล้วก็ที่ผมทำอยู่ถูกไหมครับถูก oh. แต่จิตไม่ถึงฐานทีเดียวนะตอนนี้ <Okay. S 2> ไม่ตั้งมั่นทีเดียวดูออกไหมผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่เข้ามาคเออมันไม่เข้า <Okay. S 2> นะอย่าพปอยากให้เข้านะถ้าพยายามดึงให้เข้ามาันจะแน่น <Okay. S 2> เราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไป <Okay. S 2> จิตมันรวมลงมามันก็เข้าฐาน okay. อย่าไปฝืนให้เข้าถ้าฝืนให้เข้าแล้วอึนัดแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะฝากบอกไหมครับหมายถึงอย่ากลัวเวลาจิตมันร่วงเกินหลวงพ่อนะเราไม่มีเจตนาจิตมันทําเองตัวกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเจตนาดังนั้ไม่ต้องกังวลมันร่วงเกินแล้วไม่สบายใจก็นึกขอเข้ามาไปอะไรไปแต่อย่าไปกังวลครับธรรมชาติของจิตเนี่ยห้ามมันไม่ได้ดูออกไหม เราห้ามไม่ได้เราไม่ได้สั่งเนี่ยแทนที่เราจะตกใจว่าโอ้ยจิตมาว่าหลวงพ่อก็เดินตัญญาเลยเห็นจิตแสดงอนัตตาให้ดูต่างหากล่ะจิตไม่ได้ว่าหลวงพ่อแต่จิตแสดงอนัตตาให้ดูดูมันอย่างนี้กิเลสมันจะหัวหดเลยมันกลัวตรลักษณ์นะกิเลสนะของอื่นกิเลสไม่กลัวหรอกส่วนใหญ่เป็นอาหารของกิเลสด้วยซ้าไปกระทั่งอย่างเรานั่งสมาธิหามรุ่งหามค่านะ กิเลนไม่กลัวน <Ooh. S 2> ั่งมากๆแล้วกูเก่งกลายเป็นเหยื่อของกิเลสอีกอดข้าวเก่งอดข้าวทีหนึ่งเจ็ดวันสิบวันกิเลนไม่กลัวอดแล้วรู้สึกกูเก่งเเป็นเครื่องมือของกิเลสอีกแต่ถ้าอดข้าวอยู่แล้วมีสติอยู่ใช้ได้อนันดีเระน้การปฏิบัติมนอยู่ที่จิตใจเราเนี้ย ใจิตใจเราปฏิบัติถูกมันก็ถูกหมดนะ uh huh. ใจิตใจปฏิบัติผิดงันก็ผิดหมด uh huh. นะไม่ต้องกังวลที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ uh huh. ปัญหาตอนนี้คือจิตไม่ค่อยจะเข้าฐาน uh huh. เหมือนทำสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทร uh huh. นะถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ใช้อย่างอื่นกรรมฐานเยอะแยะไป uh huh. ไปดูว่ากรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วสบายใจเอาวานั่นแหละ uh huh. ทำแล้วรู้ทันจิตออไม่ได้ทาแล้วบังคับให้จิตนิ่งนะกาบนวิาาณจา ร, าจารครับผมมีข้อสงสัยอยู่ไม่กี่ข้อครับคือที่ผมปฏิบัติมานิด เ, เป็นยังไงบ้างครับอืมกวดีขึ้นแล้วนะแล้วจิตผมนี้เข้าฐานบ้างไม่เข้าฐานบ้างถูกไหมฮะใช่ ไม่เข้าตลอดหรอกนะถ้าเข้าตลอดเราเดี๋ยวเพ่งเอาไว้เห็นไหมจิตมันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตัวนี้เห็นไหมเห็นครับเห็นตัวนี้นได้ดีนะเอย่ยไปรักษาจิตให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รักษาครับแล้วก็เห็นสภาวะที่มันเออมันเปลี่ยนแปลงคือเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนที่อยู่ในในอกครับผมบางครั้งมันก็หมุน S <S บางครั้งก็ไม่หมุนไอ้ก้อนเนี้นะถ้าวันไหนกิเลสเราแรงนะก้อนนี้ก็ใหญ่นะแล้วก็หนักด้วยเขาร้อนด้ยวยเท่าตัวเลยฮะอาจารย์เออแสดงว่ากิเลสเยอะว่ะแต่ว่าก็พยายามรู้ทันแล้วก็พยายามคิดไปว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออต้องคิดอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปฝึกแก้ไอ้ก้อนนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ครับแต่ว่าก็คือให้ก็คือรู้ครับแล้วก็เห็นเห็นมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็ดับนั่นแหละดี อย่างเนี้ยจริงๆแล้วกิเลสยังไม่มากนะกิเลสมากเนี่ยนะมันใหญ่อย่างนี้นะใหญ่กว่าตัวอีกไอ้ก้อนเนี้ยโตไอเลยเลยโตอย่างเออโคลกต่ําข้าวใครเคยเห็นโคลกต่ําข้าวบ้างต้องแก่มากๆใครยังเคยเห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแนละ้วอันใหญ่อย่างนี้นะทําด้วยสูงทั้งต้น่ะสากมันก็อันใหญ่นะทุ้งกระทุงเนี้ยบางคนเนะี้ยที่เซลลจัดเนะี้ยก้อนนี้จะใหญ่มากเลย แล้วไปไหนเนี่ยนะมันก็คล้ายมันแบกไอ้องนี้ไปด้วยมันแบกอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยวางลงไปเลยมันทุกข์อยู่แสนสาหัสแต่มันไม่เคยเห็นมันรู้สึกอย่างเดียวว่ากูเก่งงั้นถ้าเราค่อยๆภาวนาไอ้ก้อนนี้มันจะค่อยๆเล็กลงนะยิ่งใจเราสะอาดหมดจดก้อนนี้เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ภาวนาให้มันเล็กนะมันเล็กของมันเองศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นตัวก้อนนี้ก็จะหดลงไป ตัวเนี้ยทั้งเหนียวและก็หนาด้วยเคยลองทำลายมันดูไหมอย่างกำหนดจิตนะเหมือนมีดแหลมแหลมแทงโพน้นก็เด้งเลยอย่างก็แทงยางรถยนต์แข็งแรงทนทานมากในตัวเนี้ยเอาข้อสองว่างไหครับความรู้สึกที่เกิดปัญญานี้ผมเห็นถูกใช่ไหมครับมันยังเชือปนเลยด้ยการคิดเยอะไปหน่อยนะ ครับรับทราบครับถ้ายัางคิดอยู่เนี่ยปัญญาแท้ๆยังไม่เกิดหรอกแล้วเวลาปัญญาเกิดเนี่ยเกิดชั่วแป๊บเดียวไม่มเกิดยาวปัญญามันคือตัวเข้าใจมันใช่ความรู้สึกที่ว่าแบบอยู่ๆมันก็ปิติขึ้นมาแล้วก็สว่างว่าอย่างนั้นไหมคะคนลุกคนพองอันนั้นเป็นอาการของสมาธิ ม, มีปิติสว่างขึ้นมาคนลุกคนพองขึ้นมาตัวเบา ตัวลอยตัวโครงอะไรอยงี้ได้มันมันเหมือนแบบเหมือนจะเหมือนพอผมพิจรารณาอะไรสักอย่างแล้วเหมือนมันจะเก็ตสัอย่างหมือกับปุ๊บวาดขึ้นมาเลยเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะเป็นวาบด้วยปัญญาจิตมันเข้าใจนะถ้าวาดขึ้นมาด้วยปัญญาก็จะมีความสุขอยู่ไปช่วงหนึ่งใช่ครับนะก็จะมีนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออเดีว ก, ก็ผ่านไปเป็นอย่างนั้นแหละมันคล้ายๆอะไรอะรางวัล เล็กๆน้อยๆระหว่างทางค่<น>ะอาจารยๆเพล้ๆภาว น, านะเกิดปัญญาเข้าใจอะไรบางอย่างสว่างขึ้นมามีความสุขมาช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมถ้าพาวนาอีกนะเดี๋ยวกเกิดความรู้อีกอย่างหนึ่งจะไม่ความรู้เดิมนะความรู้จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเปลี่ยนมุมบางทีก็เรื่องจิตของเรานี่ยแหละแต่มันเปลี่ยนมุมที่เข้าใจไป <นะ S 1> สิ่งที่ยังขาดนะคือสมาธินะ สมาธิยังไม่ค่อยดีขนาดนี้ใจอยู่ข้างนอกรู้ไหมอ ย, อยู่ที่หลวงพ่อเพ อ, อมาอยู่กับหลวงพ่อไม่ได้นะใจต้องอยู่ที่ตัวเองใจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าน้อมจิตอย่างนั้นอย่างนั้นโมหะจะเข้าถ้าทำอย่างตะกี้นะสมาธิที่เกิดจะเป็นโมหะสมาธิหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆทำซิอย่าน้อมจิต ตรงนี้บังคับจิตแรงไปแล้วเพ่งจิตแรงไปแล้วมันจะแน่นๆคลายออกใช้จิตปกติเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตปกติดูออกไหมมันมีถูกเป็นแวบๆแบบมันเพื่อๆเพ่ออยู่กลางอกคเออดูไป กัน้ำส ก, การค่ะหลวงพ่อดีใจเขารู้ว่าดีใจนะค่ะคือตอนแรกหนูมีแค่คําถามเดียวแต่ตอนนี้ระหว่างที่นั่งฟังหลวงพ่อค่ะมันมีก้อนจุกที่หน้าอกอ่ะค่ะแต่ว่ามันก็หนูก็แบบเพยาอตอนแรกเหมือนไม่ไม่รู้ว่าหนูไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็พยายามดูเรื่อยๆค่ะจนมันมีมีมามีไปตลอดเวลาค่ะหนูก็เลยถูกทําถูกไหมอะค่ะเด <laughs> แ, แต่หนูก็แบบยอมรับ แบบเหมือนตอนแรกเหมือนจะมีโทสะนิดหน่อยแต่ว่าหนูก็คิดถึงคำหลวงพ่อว่าให้รู้ให้ให้รู้ไปตรงๆหนูก็เลยปล่อยแต่บางทีมันก็ปล่อยไม่ได้แต่มันหายไปเองค่ะปล่อยไม่ได้ก็ไม่ต้องไปปล่อยก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะไปรู้อีกไปแล้วก็เราจุดอ่อนน ะ, ะเราคิดเยอะไปะฟุ้งซ่านเยอะไปะนะอย่าเชื่อความคิด คอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองอย่าเชื่อความคิดอย่าไปคิดเอาค่ ะ, ะแล้วแล้วช่วงนี้หนูแต่ก่อนหนูเดินจงกรมไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมาหัดเดินแล้วหนูรู้สึกว่าระหว่างเดินนะคะบางทีใจมันก็อยู่ที่เท้าบางทีใจก็อยู่ที่ลม เ, ออเสียงอะไรมากระทบหนูก็รู้แต่นั่นแหละเดินจงกรมแล้วรู้ทันใจไปใช่ได้ไปเดินอีกแต่แต่แต่ทาไมใจหนูเฉยๆกับทุกเรื่องเลยะคะเป็นเรื่องของใจ ใจไม่เฉยก็ว่ามันใจเฉยก็ว่ามันจะเอายังไงอ่ะก็ก็ปล่อยมันไปใช่ไหมคะชคือเห็นตามที่เห็นเออเห็นอย่างนั้นเลยเสียงมากระทบก็รู้ฟุงแล้วโอเคค่ะรู้สึกไหมใจมันฟุ้งแล้วไปอย่างนี้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ค่อยปล่อยให้ฟุงนะเขาพูดไปเรื่อยๆนะใจยิ่งเคยชินใคยๆได้อาหารแล้วพอหลังมาเจอหน้าหลวงพ่อก็จะฟุงยิ่งกว่าเก่าอีก หลวงพ่อจะไม่ปล่อยลูกศิษย์ให้ฟุ้งซ่านกระทั่งปลื้มปิติมาอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วมีปิติน้ำหูน้ำตาร่วงหลวงพ่อก็ไม่ปล่อยอันนั้นมันคือการปล่อยให้อารมณ์ย้อมจิตติดนะไม่เป็นตัวของตัวเองเรียนกับหลวงพ่อต้องทนนะต้องเข้มแข็งนะหลวงพ่อไม่โอโลมปฏิโล ม, ลมเอาเอาใจหลวงพ่อรักลูกศิษย์ไม่อยากหลอกลวงเรานะโอโอ้ไปเดี๋ยวเราก็ชอบหลวงพ่อนะปลืม้มอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีประโยชน์เลยไร้สาระถ้ารักหลวงพ่อก็ต้องภาวนาไม่ใช่คอยมาอยู่ใกล้ๆเอาหัวเาใจไม่ใช่กราบหลวงพ่อครับไม่เห็นกราบเลยเนี่ว่าเฉยๆเออคนนี้มันแน่จริงเลยเอาว่ามา ทำตามที่หลวงพ่อสอนมาได้สี่ปีแล้วครับใช้วิธีสวดมนต์แล้วก็ดูใจที่มันคิดครับก็คิดว่าพัฒนามาเป็นลำดับครับถู ก, กพื้นฐานพื้นฐานดีนะเพราะเราไม่ได้รีบร้อนเราสวดมนต์ไปดูจิตดูใจไปเรื่อยมันสะสมความแข็งแกร่งของจิตใจ สติสมาธิปัญญาอะไรมันค่อยๆดีขึ้นโดยที่ไม่ได้รีบร้อนลุกๆๆรีลุกรนบางคนมนลุกๆๆรีลุกรนนะใช้ไม่ได้ของคุณน่ยมันมาแบบพื้นฐานมั่นคงดีใช้ได้ไปดูบ่อยๆทำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมครับได้ไดแล้วถึงจุดหนึ่งก็เจริญปัญญานะเพิ่มการเจริญปัญญาขึ้นวิธีเจริญปัญญาคือช่วยมันคิดพิจารณา สติระลึกรู้กายก็พิจารณาลงในกายว่าเป็นไตรลักษณ์สติรู้เท่าทาันจิตก็คิดพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณนะ์คิดพิจารณากระตุ้นให้จิตเดินปัญญาให้คล่องตัวนะจิตยังเดินปัญญาไม่ค่อยคล่องนะไปฝึกตัวนี้เพิ่มแต่พื้นฐานไั้นไม่เสียนะต้องไม่ทิ้งนะไว้พระส่วหมนแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนั้นะทำตลอดชีวิตเลยนะจิตเราจะมีพลัง ดีทำได้ดีชฉลยแล้วไม่ได้ดีแบบฉับชฉวยนะของหนูน่นน่ะมันดีฉับชฉวยไปไหนแล้วว่านั่งอ่อนนะนะมันดีฉับชฉวยนะดีเป็นบันบ น, นี่เขาดีสม่าเสมอนะฉับชฉวยไม่ได้เรื่องหรอกต้องอดทนทำแล้วทำอีกนะแล้วเนี่ยถูกหลวงพ่อว่าอย่างเนี้ยแสดงว่าอะไรโู้เปล่าแสดงว่าเริ่มพัฒนาแล้ว ถ้ายัางเป็นพวกโดนว่าโดนดูนิดเดียวนะอ่อนเป็นขี้พึ่งหลนไฟหลวงพ่อจะไม่ว่าคนนั้นอ่อนแอเกินกว่าจะสั่งสอนเหมือนเราเนี่ยเติบโ ต, ตขึ้นแล้วหลวงพ่อสั่งสอนแล้วถ้าอยากร้องไห้ก็ไม่ว่านะแต่อย่าให้มันครอบจิตของคุณใช้ได้มันพื้นฐานมันดีเอ้าเชิญกลับบ้าน